นำมัสการครับหลวงพ่อครับเมืม่อสักครู่ฟังหลวงพ่อพูดมามีอยู่วักเนือครับว่าสำรวมอินทรีย์ฮะคือผมไม่เอาเปนว่าตกพูดศาสนาตแต่ตั้งแต่มัธยมแล้วฮะคือพอเจอคำแปลกแปลกอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบมันแบบคือคือทุกวันนี้ที่ที่ฟังหลวงพ่อเข้าใจเพราะหลวงพ่อใช้คาพูดง่ายงายอย่างนี้ฮะ ผมก็อะไรที่มันมันยากเกินไปสับแปลกๆมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันมันรู้แล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมแต่ก็ก็อยากรู้ก็เลยต้องต้องถามนะครับผมขอประดับความรู้หน่อยครับเนื่องจากวก่าโยมก็ติดตามฟังหลวงพ่อเนาะมีปัญญาระดับเขาเรียกว่าระดับที่จะสามารถพ้นทุกข์ได้ในเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นให้รู้เท่าทันว่าผู้ถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นสังขารไม่ใช่เรา ครับผมก็วางสังขารเสีเดียวนี้เลยว่าผู้ถามเนี่ยไม่ใช่เราจบแค่นี้เลยอ่าผมเข้าใจนะผมก็เลยเอาเราไปรู้เลยเอาตัวเราไปรู้เดี๋ยวก็เป็นทุกข์คือจริงๆเท่าเที่มีอยู่นี่ก็แบบใช้ไหมว่าทํามะหากินได้แล้วคือแบบรู้สึกแบบแบบไม่ไม่ได้ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็ก็ถ้ามันไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ผมเข้าใจประเด็นหลวงพ่อครับครับสาธุครับเพราะว่าเอาแค่พ้นทุกข์พอส่วนจะรู้อย่างอื่นถ้ามันเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์ ครับามทุในปัจจุบันนะถะเข้าใจนะเออสาธุเลยครับเพราะไปอยากเองครับครับสาธุครับเออเดี๋ยวโยมโยมหนิงนะขยายความให้พวกเราฟังเนาะเพราะตอนแรกโยมหนิงก็ขึ้นมาถามหลวงพ่อเนาะแล้วพอหลวงพ่อพูดเพียงสองคำสามคําเนี่ยจบเลยหยุดเลยเนี่ยโยมอธิบายให้คนอื่นฟังด้วยเพราะว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ในปัจจุบันหรือจะเรียกว่าดับตัวกูในปัจจุบันเลยอ่ะ พรตัว<ช><ช>ที่โผล่มาเมื่อกี้เนี่ยคือตัวกูไงพอ<ช>รู้<ช>ทันว่าคือมันไม่เผลอแล้วพ่อหลวงชีไปหลวงพ่อไปบอกไงว่าอ๋อคนที่ถามอะเนี่ยใครอะ่ะมันก็เข้าใจเลยว่าอ๋อนี่ตัวกูปรากฏแ ล, แล้วแล้วก็แค่รู้ทันแค่นั้นนะตัวกูก็ดับไปเหมือนเพลงที่อาจารย์พุทธทาสที่หลวงพ่อเปิดย้ำๆอยู่เนี่ย<ช>ทีนี้โยมขายายดูเนาะโยมหนิงเนาะเออลองดิว่ามันทําไมโยมหยุดพูดไปเลยไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วมันเป็นยังไงเออขายายหน่อยก็ตอน ก่อนจะถามอะฮะก็มันก็อยากอยากรู้ไฮะอยากรู้มานานแล้วพอหลวงพ่อพูดคำว่าไอ่สำรวมอินรีเนี่ยตั้งประมาณสักน่าจะผมว่ามีเกืบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งคือระหว่างนั้นอนะพี่สีดั น, นพูดอะไรเนี่ยผมก็แบบฟังแบบเขาเรียกไม่ไม่ได้จับใจความแล้วพอมัวคิดแต่คำพูดนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบคือสุดท้ายแล้วก็ มันมีความอยากเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวจนอยากไม่ไหวก็ต้องแบบยกมือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก็ ก, ก, ก, ก็ก็ละะืมตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ก็หลงฮะพอหลวงพ่อทักขึ้นมาก็นัานเลยฮะโปะแตกแล้ ว, ว่าแบบเออที่ที่อยากถามที่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสังขารแล้วมันก็แบบก็ก็หลงไปพอหลวงพ่อทักมาก็อา้าวนี่มันก็ก็มีตัวตัวเรานี่ก็แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนไป ไปยึดไปอยากเองอะไรประมาณนี้ครับผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าพอหลวงพอ่อทักก็แบบอืมัมนก็เป็นผมก็รู้มันเป็นแค่สังขารมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมันก็เป็นแค่แค่เปลือกอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะจะจะเข้าใจที่ผมอธิบายหรือเปล่านะาประมาณนี้ครับผมสาธุนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันก็มันก็ไม่สําคัญว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอะ่ะผมจะไปสงสัยอะไรผมจะเป็นแบบเมอเมอะ ไปนั่งคิดถึงไอ้สารวนอินซียอะไรแต่ไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันมันสำคัญที่สุดอะคุณต้องต้องรู้ใจใจในปัจจุบันนี่แหละที่ที่เป็นแบบเหมือนผมใช้คาว่าแบบเขาเรียกเป็นแก่นของมันแล้วกันนะในตามความเข้าใจของผมนะครับครับสาธุครับก็พอพอพอหลวงพ่อชี้แบบนี้เสร็จแล้วแล้วมันดับไปเนี่ยมันโล่งโปร่งเบาขึ้นไหมอ่าใช่ครับก็เลยหยุดพูดไปครับผมนี่พจริงรจริ ง, รงถูกต้องเล ย, ยสาธุครัครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณมาลินค่ะครับสวัสดีครับ อ, อ, อยากจะขอถามประเด็นใหม่ได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะผมมีคำถามอย่างนี้ครับลักษณะของที่มันเป็นเป็นคู่กันนะครับมันมันจะเป็นต้องมีอยู่ในทุกสิ่งไหมครับ ยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นของคู่เพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยเนา ะ, ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีแสงแดดนะครับตกไปทาบวัตถุไหนก็จะต้องมีเ ง, า, งาครับเมื่อแสงแดดสมัยเมื่อกี้ไม่ชัดนะเสียงขดเมื่อเมื่อแสงเมื่อแสงแดดอะครับที่ให้ความสว่างกับสิ่งต่างๆบนโลกเนี่ยครับมันมันทาบลงไปไปที่วัตถุไห น, นครับ มันก็ย่อมต้องเกิดเงาเกิดความมืดขึ้นขึ้นด้วยอะครับอซึ่งแสงกับเงามันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับอแล้วมันจําเป็นหมนไหมครับว่าสิ่งต่างๆบนโลกเนี่ยมันจะต้องมีสภาวะที่เป็นคู่กันอย่างนี้เสมอไปครับหลวงพ่อตอบแบบนี้เนาะคือคําถามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่า มันเป็นความคิดที่ปรุงแต่งในปัจจุบันรู้ไม่ทันว่าตอนนี้สังขารกำลังปรากฏก็ไม่เห็นตัวที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็เลยให้มันเป็นลากยาวไปเขาเรียกว่าเป็นเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ว่าตอนนี้อะไรปรากฏขึ้นพอมันเป็นอวิชชาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวเป็นตนคือมีเราเป็นผู้ถามเกิดขึ้นแล้ว พอมีเราเป็นผู้ถามเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ถ้ามีเราแล้วนี่นะเนี่ยเป็นอวิชาตลอดสายแล้วละ่ะเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็อยากรออย่างโน้นอย่างนี้วิธีดับอวิชาคือรู้เท่าทันในปัจจุบันว่าสังขารเกิดแล้วรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันไปเดี๋ยวนี้คําถามก็จะไม่มีคําตอบก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ถ้าปัจจุบันคือรู้แล้วปล่อยวางไม่หลวงยึดถือสังขารให้มันลากยาวเป็นปฏิจจสมุปบาทมันก็จบเลยเขาเรียกว่าตรงนี้มีวิชา วิชาคือรู้เท่าทันต่อสังขารที่กำลังปรากฏในปัจจุบันว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราแค่รู้ทันอย่างนี้เป็นธรรมะที่รัดสั้นที่สุดแล้วจบในปัจจุบันเลยถ้าไม่สงถ้าไม่เข้าใจให้ถามต่อถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราจะสร้างบ้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีนั่งมีนั่งลานใช่ไหมครับมันคนละเรื่องอันนี้ก็คือความคิดอันใหม่ มีตัวเราเป็นผู้อยากรู้เรื่องนั้นถ้าเราไม่เห็นตัวเราในปัจจุบันเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องอื่นที่ต้องถามยาวมากเลยแล้วก็ไม่จบสักทีแต่ ว, ว่าถ้าดับในปัจจุบันดับสังขารเนี่ยคือรู้เท่าทันสังขารไม่หลงไปกับสังขารไม่หลงไปกับความคิดแค่นี้มันก็จะตัดขาดอันนี้คือเป็นหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเลยคือรู้ตัวในปัจจุบันแต่ถ้าเราจะแยกระหว่างธรรมะ ก, กับโลก นะทิ่งที่หลวงพ่อพูดคือเป็นธรรมะขั้นฉับพลันแต่ถ้าเป็นโลกก็แน่นอนต้องถามเพื่อให้เกิดการเข้าใจว่าเออแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างไงอะไรอันนั้นเป็นเรื่องโลกโลกแต่ตอนนี้เรากําลังคุยธรรมะที่หลุดพ้นในปัจจุบันถ้ายอมเข้าใจอย่างนี้ยอมก็จะแยกได้ระหว่างโลกกับธรรมนะถ้ารู้กับถ้าอยู่กับธรรมคือต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้รู้ตัวเดี๋ยวนี้แต่ถ้าอยู่กับโลกเวลาทํางานก็โอเคต้องคิดต้องถามเป็นธรรมดาซึ่งเราเข้าใจดีเนาะ อย่างถามเรื่องของคู่เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของโลกหมดเลยนะเป็นของคู่เป็นอย่างอะไรที่โยมถามเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องที่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้เอาตัวเราไปถามแต่ธรรมะหลุดพ้นคือต้องดับตัวเราคือเห็นว่าเราไม่มีมีแต่สังขารเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับนั้นแปลว่าคําถามแรกที่ถามเรื่องโลกเนี่ยถ้าถามณนะปัจจุบันบนพาร์เนลนี้ยก็จะไม่ได้คําตอบแบบโลกโลก คือเอเอนะใช่คือหลวงพ่อเคยเคยบอกกับคนที่เข้าห้องนี้เป็นประจำนะว่าเวลาเราเรียนทางโลกมันก็จะมีหลายวิชาเนาะมีวิชาสังคมภาษาอังกฤษภาษาไทยสุขวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ทีนี้เวลาเราถามอาจารย์เนี่ยเราต้องดูว่าอาจารย์เขาสอนถ้าเขาสอนเรื่องคณิตศาสตร์เนาะเราอย่าไปถามเรื่องเรื่องสุขศึกษาเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องสังคมเพราะว่ามันคนละวิชากัน ทีนี้หลวงพ่อเนี่ยก็คือห้องนี้เป็นห้องที่เราฝึกเขาเรียกว่ารู้สึกตัวในปัจจุบันนะโดยที่ไม่อิงไอ้พวกตำราอะไรสักเท่าไหร่คือเขาเรียกว่าฝึกให้เป็นนะเนเาะพอเราฝึกเป็นปั๊บเนี่ยทางทรักษั้ของการพ้นทุกเนี่ยมันก็จะทําให้แบบมันพ้นได้เร็วเพราะว่ารู้สึกตัวเป็นแล้วเข้าใจเหมือนกับว่าการรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทางพ้นทุกก็ทีนี้เมื่อได้ผ่านการฟังจากห้องนี้แล้วว่าเออคําว่ารู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่า แต่ทีนี้ถ้าเราจะไปศึกษาเรื่องเรื่องเช่นศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเนาะเราก็ต้องไปไปฟังจากผู้รู้ที่เขาเน้นในเรื่องพวกนั้นเราก็ไปฟังได้ะอันนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อลัดสั้นเพื่อตัดตัดกระแสแห่งปฏิจจมุบาทคือตัดสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะอยาให้มันปรุงไปแล้วก็เดี๋ยวพอปรุงไปเราก็หลงยึดถือเนาะเป็นตัวเป็นตัวแลวก้ก็เป็นุกเป็นภกเป็นชาติไปถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนคําถามให้ตรงกับ วิชาครับ<ช>งั้นเพื่อเป็นไปซึ่งความหลุดพ้นเนี่ยครับคนที่จะไปหลุดพ้นเนี่ยควรจะต้องเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาททุกคนเลยใช่ไหมครับจริงๆอ่วิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันก็มีมันมีหลายสูตรนะบางทีเนี่ยถ้าเราฟังพระสูตรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึง เช่นร่สูตรพระพายยะเนาะท่านพูดเพียงแต่ว่าเออเมื่อเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินท่านไม่ได้พูดเรื่องนู้นเลยอันนี้สำหรับผู้มีปัญญามากก็สามารถฟังเข้าใจแล้วก็บรรลุทําได้ในขณะที่ฟังส่วนสูตรที่ไม่ต้องพูดเลยก็มีอยู่ใช่ไมที่ถือดอกบัวเราก็ทราบอยู่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยเมื่อเข้าใจสูตรใดสูตรหนึ่งเนียถ้าพอพูดถึงปฏิจสมุปบาทเนียก็จะเข้าใจได้ว่า อ๋อปฏิสมัมมติบาทก็คือมันมีไข่เกิดไข่ดับนะไข่เกิดก็คือปรุงเป็นสังขปัญญนปรุงแต่งแล้วก็ทําให้เกิดพบเกิดชาติส่วนไข่ดับคือไม่ปรากฏการเกิดนะคือดับหมดเลยก็คือไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีทุกข์มันก็คือเข้าใจได้เลยอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะเข้าใจก็เรียกว่าอธิบายไม่เป็นเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินบัญญัติมาก่อนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่รู้อยู่แก่ใจว่าทนทุกข์แล้วที่สุดแห่งทุกแล้ว เพราะว่าคําพวกนี้มันเป็นคําบัญญัติเนาะปฏิสมุบบาทก็เป็นคําบัญญัติว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวแก่นของธรรมอ่ะมันไม่ได้มีภาษาบัญญัติแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องบัญญัติเพื่อที่จะถ่ายทอดธรรมโดยเอาสมมุติเอาวิมุตติเอ้ยเอาสมมุติเอาบัญญัติเนี่ยมาปรุงแต่งเพื่อที่จะได้เรียนรู้เข้าถึงทีนี้อย่างพวกเราเนาะเรียนปฏิสมุบบาทอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าเรียนฟังเข้าใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นความจําแต่การรู้แจ้งรู้จริงเนี่ยยังไม่ปรากฏเลยนะ ก็เลยจำํำพอจําเสร็จถ้าคนไหนพูดไม่เหมือนที่เราจําก็แปลว่าเขาพูดผิดแต่ความจริงอะความจําก็ไม่ใช่สัจจะสูงสดุดความจําเป็นแค่สัญญาใช่ไหมเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับแต่ความจริงสูงสุดคือจะต้องไม่เกิดไม่ดับมีแต่การรู้แจ้งรู้จริงรู้ชนิดที่แบบอธิบายเป็นภาษาไม่ได้อแต่ที่อธิบายภาษาได้ก็คือเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากต่อให้ใครจํามากเท่าไหร่มันก็แค่จํา แต่รู้จริงแต่เรารู้อย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมะที่หมดการปรุงแต่งนหมายความว่ามันพ้นไปจากคําพูดเพราะคําพูดคือความปรุงแต่งใช่ไหมความคิดก็เป็นความปรุงแต่งแต่อันนู้นเป็นความรู้สูงสุดคือไม่ปรุงแต่งขออนุ ญ, ญาตซักเพิ่มเติมครับได้ครัแล้วอย่างนี้หมายความว่าพระโสดาพระสงฆ์บ้านทุกคนเนี่ยจะมีความเข้าใจเรื่องปฏิจจสม จากสมุบาติเนี่ยหมดทุกหมดทุกคนเลยใช่ไหมครับก็เอาอย่างนี้นะเอาให้รู้สึกตัวให้เป็นในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยค่อยจะเข้าใจเรื่องโสดาบันเพราะว่าการรู้สึกตัวในเบื้องต้นเนี่ยเท่ากับว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเนาะสามารถที่จะเห็นความเป็นจริงในปัจจุบันได้ว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นย่อมดับไปที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ให้เห็นในปัจจุบันแล้วก็จะรู้เลยว่ า, าการ<ผ>ามีความเห็นถูกต้องอย่างนี้พระอาจารย์ครับโยมขออนุญาตครับครับพระอ า, าอจารย์ย้อนแยงครับเพราะเพราะว่า ล, ล, ล, ล, ลักษณะที่พระอาจารย์ตอบตอบโยมเนี่ยตอบเป็นธรรมะในเชิงหลุดเชิงหลุดพ้นซึ่งซึ่งโยมมองว่าเป็นที่สุดครับแต่ลักษณะคํําคาถามเมื่อสักครู่ที่โยมที่โยมถามเนี่ย ลักษณะการตอบของพระอาจารย์เนี่ยตอบแบบสำหรับเบรกินเนอร์ครับเบรกินเนอร์อขยายความเบรกินเนอร์อขยายความน่ดยนึงคือคือพระอาจารย์ตอบโยมประมาณว่าก่อนอที่จะทราบว่าพระโสดาบันคืออะไรเนี่ยให้ไปรู้ให้ไปรู้สึกตัวก่อนครับถูกรพอรู้ ส, สึกตัวนี่ <laughs> มันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าบาทฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งท่ากลางแล้วก็ถึงที่สุดครถ้าถามรู้สึกตัวใ น, ในเบื้องต้นเนี่ยท่ากลางไม่ต้องพูดถึงเลยลที่สุดก็ไม่ต้องพูดถึงเออซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งอันซึ่งอันเนี้ยโยมไม่ได้มีข้อโต้แย้งครับแต่เหตุที่โยมถามเนี่ยโด้วยด้วยด้วยความว่าถ้าในระหว่างทางเนี่ยถ้ามีคนพูดเรื่องปฏิจจ์อ่าสมุบาทเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องฟัง เราไม่ต้องไปเรียนรู้เราไม่ต้องไปรู้จากสิ่งสิ่งนี้เลยอย่างนั้นก็ก็คงไม่น่าใช่อ่ะครับแต่แต่โยมก็จะเชื่อของของโยมแบบแบบบ้านๆว่าวทุกสิ่งมันก็มีเวลามีมีจังหวะมีทำยิ่งที่เหมาะสมของของมันอยู่อะครับขอขออนุญาตนะครับอ่ารอครับเอ่อขออนุญาตนะครับพระอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญเชิญเคสนี้ ในห้องเนี่ยก็เพิ่งมีมาก่อนนะครับที่มาก่อนแน่เนี่ยก็คือน้องผู้ชายคนหนึ่งที่พูดสไตล์เหมือนพี่พี่ผู้ชายก่อนหน้าผม เ, เพราะว่าพระอาจารย์แกอธิบายเคลียร์นะครับว่าตอนนี้เราใช้เรื่องรู้เราพูดเรื่องการเจริญสตินะครับผมคิดว่าไอ้ตัวรู้และการเจริญสติเนี่ยที่คุยในห้องนี้เนี่ยสามารถเอาไปแก้ทุกข์ได้จริงๆนะครับถ้าเคสอย่างที่เขาคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ย ที่ต้องออกไปประมาณว่าเหมือนเหมือนเข้าห้องแล้วไปตั้งห้องที่ชื่อว่าปฏิจจสมุตบาทเพราะว่าเคสกรณีแบบนี้มีเหมือนกันนะครับที่เราอยู่ในห้องนี้เขาก่อนน้องคนนั้นก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมามักมีองแปดครับเชื่อว่าผมพูดตรงนะครับอาจารย์ผมยังไม่เคยนับเลยว่ามักมีองคแปดนีอะไรบ้างเนี่ยครับอย่างเรื่องของอ่าปฏิจจสมุตบาทเนี่ย <Okay. S 1> มีสิบสองมีสสองล็อกโอเคครั บ, รบสิ่งสิ่งสิ่งที่คนพูดคเนี่ะ แต่ทือว่คือว่าแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยผมอยากให้มีประโยชน์กับคนก่อนหน้าที่เขาบอกว่าเขาไปโรคผมไปโรคซึมเศร้ามาก่อนนะครับแล้วก็เขามีเรามีปัญหากับความคิดอันนี้พูดตรงๆนะครับมันคิดอยู่นั่นแหละครับคิดจนไม่รู้ไม่เห็นว่าตัวเองคิดคิดจนนอนไม่หลับเนี่ยครับจนวันหนึ่งผมมาปฏิบัตินะครับเมื่อก่อนก็ปฏิบัติเยอะเนอะรู้เยอะไปอยู่วัดเพราะว่าเราอยากพ้นทุกนะครับก็ไปเรียนอพิธำจิตเตอร์ิษเอาอะไรมากาง สุดท้ายผมมาเจอว่าแล้วเขาก่อนที่ที่สนธนาว่าผมผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็อยากให้ให้เพื่อนในห้องที่ที่เป็นคลื่นเดียวกันนะนะครับเขาถามผมว่าสิ่งสําคัญคือฐานกายครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ฐานกายเนี่ยเอากำมะฐานมาตั้งวิธีกายเนี่ยมันจะเป็นทางออกมันจะเป็นทางเริ่มของทุกอย่างวันนั้นผมได้ได้คุยคุยกันในห้องเลยนะครับผมไม่ทราบว่าพี่คนนั้นเขาอยู่หรือเปล่าอย่างบางคนบางทีเราอยู่ความคิดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับโลกที่ใช้ความคิดเยอะจนเราไม่รู้ว่า ความคิดกับตัวเราเนี่ยมันมีคนละส่วนกันจนทาให้เราเป็นโรคมันไม่รับเป็นโรคเครียดซึมเศร้าครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าเรามารู้ที่กายก่อนเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มจุดเริ่มของทุกๆอย่างเพราะว่าในสมัยก่อนผมฟังหลวงพ่อเทียนมันะครับคือว่าในสมัยก่อนพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนอะไรเยอะอันนี้ผมฟังมานะครับก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ต้องไงก็วิเคราะห์กันดูนะครับวา่าเรามาเริ่มเรามาเริ่มจากตัวที่รู้นี่ก่อนถ้าเมื่อไหร่ให้เรารู้กายอ่ะ เดี๋ยวทุกอย่างธรรมชาติมันจะเฉลยตัวเองครับพอาะกา ย, ยมันอยู่กับเราผมคิดว่ากายอยู่กับเราแต่เริ่มอาจารย์สอนให้ผมรู้สึกตัวตะพื้นตะพื้นเนี่ยคิดก็รู้โกรธก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไม่มีอะไรก็รู้รู้มันตะพืตะพือนแรกๆไอ้ตัวผมก็เถียงยันแลยว่าอาจารย์สอนอยังไงเราไม่รู้เราไม่ใช่ความคิดหรอกแต่สุดท้ายเวลาชีวิตคนเราไปเจอทุกข์จริงๆเราจะรู้เลยว่าความคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยให้เราออกจากความทุกข์ได้ แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นผมฟังของข้อความเขียนนะครับเพราะสายนี้พระอาจารย์ก็เราฝึกปฏิบัติรู้ตัวสิบสี่จังหวะกันมานะครับไออเราการที่เรารู้สึกตัวเนี่มันเหมือนกระสอบทรายครับเรากําลังจะโยนกระสอบทรายเข้าเพื่อตัดกระแสเนี่ยเราโยนไปกระสอบแรกเราไม่เห็นนะเพรับว่าคุณแทรกบทผลงานผมอยู่อ่ะครับผมผมทราบครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณพูดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบเหมือนเคสคคนก่อน ที่มาพูดเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาชีพมันก็จะไปเรื่อยๆครับไม่มีทางจบอันนี้ผมรู้ตัวดีแล้วผมก็อยากให้การสนทนาในห้องนี้มันเกิดประโยชน์สําหรับคนอื่นครับผมไม่ได้มีคือผมผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจครับเพราะสิ่งสิ่งนี้มันเคยเกิดมาก่อนแล้วผมบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยคุณจะเอาโ ย, โยนโยนข้อสอบทรายไปวันนี้ลูกนึ่งแล้วจะตัดกระแสเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องต้องค่อยๆรู้สึกตัวไปครับเพื่อค่อ ย, อยทําไปทําไปทำไ ป, ำไ ป, ำไปเรื่อย ๆ, ๆถ้าเมื่อไหร่มันมีกําลังนะ เราก็จะเห็นเองว่าอ๋อตัวรู้กับความคิดนี่มันเป็นคนละตัวกันรเราจะดักผมกจะอยู่กับมันได้โอเคครั บ, okay, รบงั้นผมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับคือเหตุที่ผมถามพระอาจารย์นะครับคือผมอยากจะทราบจริงๆว่าณนะบางห้องที่เขาพูดเลือกอาจพิธมเยอะๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปเลยใช่ไหมครับ อ๋าสำหรับส่วนตัวหนูคิดว่าจริงๆคุณอรินเข้าได้ทุกห้องเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าห้องนี้แล้วก็ไม่จําเป็นว่าเอ๊ะฉันจะต้องไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องนี้รู้ได้ค่ะแตเพียงแต่ว่าพอดีว่าในห้องเนี้ยค่ะตอนนี้หัวข้อรวมถึงจุดเป้าหมายนะคะที่ ท, ที่ที่ห้องเราที่เรามาคุยกันเนี่ยเจะพูดถึงการปฏิบัติขณะปัจจุบันนะคะแล้วก็เรื่องการรู้สึกตัวค่ะเห็นเนี้ยคิดว่าเรื่องพวกเนี้ย มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเป็นเกี่ยวเรื่องความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยค่ะแตกต่างกันไปมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องความคิดเห็นขึ้นมาสิบท่านก็มีสิบความคิดเห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาพยายามตัดตรงเนี้ยทิ้งไปเพื่อที่จะเดี๋ยวค่อยไปตั้งห้องอีกห้องนึงถ้าเกี่ยวเรื่องความคิดเห็นค่ะแต่ว่าอันนี้เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะ ทราบถึงสภาวะหรือว่าการปฏิบัติมีการติดขัดยังไงบ้างนะคะค่ะคุณวรินค่ะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าคุณวรินไม่ไม่วรินได้ยินหรือเปล่าคะยังได้ยินครับยังได้ยินแต่ว่ากําลังนึกอยู่ว่าจะอะไรอ่ะจะออติดต่ อ, อ, อสื่อสารกันไยังไงเนาะอ่าได้ค่ะอย่างนั้นขอรบกวนให้คุณสติพูดก่อนนะคะอขอบพคุณค่ะ ค่ะคุณสติเชิญค่ะน้อมสักการะคุณเจ้าครับก็สวัสดี <c oughs> ไปครับสวัสดีคุณหนุหน่ยด้วย น, น, น, น, น, นะคะุณหนุ่ยด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> สวีสปเกอร์แล้วก็ออดี น, นะคระับคืนจริงเออไม่ไม่ได้จะมาพูดอะไรมากครับแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่าไอการที่เราเรียนรู้แบบนี้ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องเออถ้าเปรียบเลยอะนะครับ ขยับแบบเลยเฉยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกส่วนก็คือการที่เราเหมือนมองว่าผมก็เข้าใจสงสัยตลอดเวลาเหมือนกันเลยเหมือนหลายๆท่านที่ถานมาว่านการที่เรารู้ตัวเรารู้ตัวเรารู้ปัจจุบันขณะเราเอาตัวเองออกมาอย่าไปมองเขาไปตัวเองมันมันหมายความว่าอะไรจริงก็ถ้าเรามองในเชิงของการแบบเรียนรู้อ่ะเอะมันมันจะต้องเหมือน S 1> <S 1> เรียกอะไรฮะเราเราต้องศึกษาในในสิ่งที่ผมชอบทำหนึ่งนะั้นเออผมเป็คนคนชอบวิทยาศาสตร์นะครับแล้วมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ที่คนนึงชอบมันจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็ยังทําไม่ได้นะครับก็คือนักสือ่อสารวิทยาศาสตร์นันสนกสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบทฤษฎีแน่ๆมามาด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะมาย่อยให้มันรู้สึกว่าให้เราเข้าใจกันง่ายๆ อไอการทีจะย่อยแบบนี้ง่ายๆมันต้องไปอ่านตัวเรื่องที่เป็นต้นๆบทนึงก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะอธิบายว่าเหลุมดําเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องไปไปไปศึกษาว่าหลุมดําคืออะไรแล้วเราต้องมานั่งคิดเราจะย่อยยังไงให้มันง่ายแล้วอธิบายหลุมดําให้คนฟังยังไงให้มันง่ายกนละัวไม่เหมือนกันกับกับตอนเนี้นะครับผมว่าการศึกษาตํารา ห, หรือว่าการศึกษา ผมก็เรยไม่ถูกนะครับการศึกษาพระไตรปิฎกสําคัญไหมก็อาจจะต้องสําคัญอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับเราเราไปศึกษาก่อนว่าในเนื้อความพระไตรปิฎกหมาความว่ายังไงแล้วทีเนี้ยเราศึกษาตาําราศึกษาพุทธพจน์ศึกษาบาลีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็มานั่งคิดว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วเราแล้วเราจะปฏิบัติแบบไหนสุดท้ายมันอยู่ที่การปฏิบัตินะการศึกษาแค่ไหนเรียนรู้แค่ไหนถ้าปฏิบัติไม่ได้เลยก็เท่านั้นผมก็เลยมองว่า ผมก็เลยคิดคิดทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับก็บอกตรงๆว่าการที่แบบเออเราไม่ไ ม, ไม่เอาตัวเองเข้าไปยุติในทุกเรื่องเป็นยังไงคือผมก็ทําได้แค่ชั่วขนาดนะครับในในชั่วขนาะที่เราคิดว่ามันแบบเออไม่มีตัวเราไว้สบายใจไว้แต่ไม่นานก็กลับมาอีกครับผมก็เลยมองว่าอูวมาอู๋ใหม่ประมาณว่ามันคงเป็นเหมือนเวลาให้เราให้คําปรึกษาใครนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าใครก็ตามแต่ที่มาปรึกษาเราะ พอปัญหาด้วไม่ใช่ปัญหาเรานะเราก็จะให้คําปรึกษาได้ในแบบที่แบบเออเราทําไมเราเก่งจังวะอันนี้หมายถึงว่าขออภัยที่มีคําวะเยอะนะครับคือเวลา เ, หาหเพื่อนมีปัญหาเรื่องคำรักเพื่อนมีปัญหาเรื่องเรื่องการเงินเพื่อนมีปัญหาเรื่องชีวิตเรากลับให้คำปรึกษาเขาได้แบบแบบที่มันแบบเออเราเรารู้แต่พอเราเจอปัญหานั้นเองนะครับพอกลับกันเราเจอปัญหานั้นเองเราอาจจะบอกเพื่อนที่อกหักว่าแบบเฮ้ยถยางงั้นสิอย่างนี้สิเป็นอย่างงั้นดีกว่า แต่พอเรา อ, อกหักเองเราทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นการเรตบเลยว่าจริงๆแล้วเพราะว่าการปรึกษาปัญหาของเพื่อนนมันเราไม่ได้เอาตัวเราไปเกี่ยวข้องเพื่อได้ปรับนะครับแต่พอเป็นปัญหาของเราเราเอาตัวเราเข้ามาเกี่ยวเรานึดถึงตัวเราขึ้นมามันเลยกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่ามันยากยากกว่าการที่เราบอกเพื่อนซึ่งจริงๆผมก็ยังทําได้ไม่ดีนักนะครับในเรื่องของการแบบลดละตัวตนซึ่งมันก็ยังมีกิเลสที่แบบ ทีนี้มันก็ต้องหาว่าทฤษฎีของมันคืออะไรแล้วการปฏิบัติมันเป็นยังไงเครื่องมือที่เราช่วยเราก็รู้ครับว่าคือสติสติเป็เครื่องมือสาคัญในการดับกิเลสอันนี้ผมก็รู้แต่ทําทมันทํายากไม่ทํายากยา ก, ยากมากเลยแล้วก็ไอ้กิเลสไม่ได้หมายถึงว่าเราจะองไปขโมยของใครอะไรเงี้นะครับกิเลส ม, มันมันมันหลายอย่างประกอบกันผมก็เลยมองว่าแบบเนี้ยมันต้องลองฝึกต้องปฏิบัติไม่ไม่ได้บอกว่าไปฝึกกันเองแล้วจะรู้อะไรอย่างนั้นไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ต้องลองเหมือนกันว่า ในการที่เราสงสัยอะไรขึ้นมาจริงๆในการที่เราทุกข์เนี่ยเราเราลองถอยหลังมาเก้าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มานั่งมองว่ามันมันทูกเพราะอะไรวะแล้วแนวทางมันคืออย่างน้อยมันอาจจะแก้ปัญหาเลยไม่ได้ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันมันได้คุยกับตัวเองมันได้มองมองปัญหานั้นมันได้กว้างขึ้นแล้วก็ได้ได้มีปัจจัยอยื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมไม่รู้มันคือวิธีการลดัตาตัวเองหรือเปล่านะครับลดตัวตนหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมแค่ว่า บางทีการได้ฟังธรรมะหรือการได้ฟังเอ อ, อะไรแบบเนี้มันอยู่ที่เราเลือกฟังแล้วเรามาปรับใช้ครับถ้าเรารู้สึกว่ามันมันใช้ได้เฮ้ยมันมันเข้าใจอะไรเงี้ยเราเราก็ทําวิธีนี้ครับแต่ถ้ารู้สกว่ายังไม่เข้าใจยังใช้ไม่ได้เราก็ลองปรับดูถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีอื่ น, นครับเอ่อก็ประมาณนี้ครับสาธุค่ะคุณสติค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอตัวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะออกไปนะจริงหลวงพ่อก็อยากจะ คือยินดีมากนะที่จะคุยในเรื่องทำเพราะว่าทุกอย่างมันต้องคุยแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเชิงในทางที่ว่าเออเมื่อคุยแล้วก็คือชี้แนะชี้แน ะ, ะส่วนจะเอาไม่เอาก็ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่าเพิ่งเชื่อไงคือเหมือนกับว่าเออลักษณะชี้แนะแบบนี้อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องการอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกใจแต่ถ้า <c oughs> พอเราถามปั๊บตอบถูกใจมันถูกใจเออเพราะเรา เราต้องการให้ใหถูกใจมันถูกใจก็เกิดเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็คือพูดบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่เขาเรียกว่าเร็วไม่เนิ่นช้านะทีนี้เดี๋ยวมันมีประเด็นเมื่อกี้เนี่ยเราจับได้ที่ที่โยมบาลินพูดนะดีมากคํานี้นะที่โยมพูดบอกว่าคานองที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะ่ะตรงเนี้ยหลวงพ่อใจเชียหเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะหยุดการปรุงแต่งการหยุดการปรุงแต่งนั่นคือความสงบอย่างยิ่งแต่เราเนี่ยขี้ยวเข็นที่จะให้มันปรุงแต่ง พยายามคิดมันคิดมันจะหยุดอยู่แล้วแต่ก็พยายามจะจะคิดให้มันออกแต่จริงอ่ะถ้าหยุดตามที่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหยุดไว้ตรงนั้นแล้วลองสังเกตดูจะเป็นความสงบอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันหยุดการปรุงแต่งนั่นแหละคือเป็นมันคือมันไม่สังขารแต่ถ้าเราเราพูดเนี่ยลองสังเกตเนี่ยที่เราคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้หรอกมันมีแต่ความปรุงแต่งแล้วก็ครอบงำเอ่อความเอ่อครอบงำไอ้ตัวธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะ ก็เลยมันจะเหนื่อยแต่พอหยุดพักเห็นไหมมันจะสงบมันจะเย็นสบอกเย็นอกเย็นใจสบายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าให้รู้เท่าทันโดยเฉพาะความคิดความคิดนี่แหละมันตัวที่พาให้เป็นปุงแต่งมันเป็นสังขารใช่ไหมสังขารเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นอะไรล่ะตามหลักปฏิจสมุบบาทเพราะนั้นถ้าดับสังขารจะได้ดับก็คือรู้เท่าทันสังขารแล้วก็ปล่อยวางมันการรู้เท่าทันเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นวิชาเป็นตัวดับเป็นหัวขบวนของมันเป็นฝ่ายดับ อันั่นคือมันเป็นเหมือนแบบปฏิบัติปฏิชนูบาทเนี่ยมันเป็นบัญญัติซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆมันก็ได้แค่แบบก็คือท่องจําตามที่คนนั้นว่าคนนี้ว่าแต่การรู้เองเนี่ยคือการรู้จริงรู้เร็วรู้ทันรู้สภาวะที่กําลังปรากฏเมื่อรู้เท่าทันเท่าไหร่สิ่งที่ปรากฏอันนั้นเนี่ยไม่อาจจะปรุงแตง่งไม่อาจจะไปทําลายไอจิตใจที่เป็นความบริสุทธิ์อยู่แล้วได้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องแต่ดีแล้วนะที่ที่ ฟังตรงโน้นบ้างฟังมื่อกที่โยมสติพูดแล้วก็ถูกแล้วคือเราก็ต้องฟังไปเรื่อยแหละแต่ตรงไหนที่เห็นว่าเอาไปใช้ปฏิบัติได้ก็เอาไปเลยรับไปเลยแต่ทีนี้ห้องนี้เนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีความรู้ในภาคปริยัติเลยไม่อ่านมากเพียงแต่ว่าเน้นเรื่องรู้สึกตัวปัจจุบันความคิดเกิดก็รู้แล้ว ม, มันส ง, งบอยู่ก็รู้แล้วไม่ส ง, งบคือรู้อยู่ปัจจุบันเลยอะไรเกิดขึ้นได้แต่รู้อยู่การรู้แบบนี้เขาเรียกว่ารู้แบบจิตตั้งมัน่น จิตตั้งมั่นเพราะว่าเราไม่ไหลไปตามกับสิ่งที่ปรากฏเนาะมันคิดก็ไม่มันคิดอะไรก็ได้รู้แต่คิดมันจะพูดแต่ก็ไม่พูดในสมมติเนี่ยใช้หลักตรงนี้มันคิดก็รู้ว่าคิดมันจะพูดก็ไม่พูดคือรู้ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นทั้งสติสมาธิปัญญาเลยที่มันตั้งมั่นและมันไม่ไหลตามแล้วก็จะว่าไปแล้วนี่ถ้าถ้าไม่พูดเลยเนี่ยมันจะไม่ทะเลาะกับใครเลยเพราะว่าเพราะมันไม่ปรุงแต่งให้เกิดการถูกใจไม่ถูกใจไงก็เลยตั้งมั่นอยู่ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อจะจะแนะนําทุกคนนะเพราะว่าหลวงพ่อก็ตั้งห้องขึ้นมาก็คืออยากจะให้เอย่าเนิ่นช้าเนาะเนิ่นช้าวิธีไม่เนิ่นช้าก็คือมีสติสมัติยัญญารู้ตัวในปัจจุบันเมื่อรู้ปัจจุบันอดีตเอ้ยเมื่อรู้ตัวในปัจจุบันอานาคตไม่ต้องพูดถึงเพราะรู้ตัวเป็นแล้วเมือ่อคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าปัจจุบันรู้ตัวเป็นอานาคตมันก็ย่อมรู้ตัวเป็นแล้วอานาคตที่จะมีมันก็รู้ตัวเป็นแสดงว่า จุดเริ่มต้นคือรู้เป็นรู้ตัวเป็นเดี๋ยวนี้มันก็จะรู้ตัวเป็นเป็นเป็นเป็นขณะเป็นขณะไปเรื่อยเือยื่อย่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นถาวร